Namo Ramatu Sambuddhasam. Namo tassa bhagavato ramatu sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahamatu sambuddhasam. Siddhaletha samī nimutti gandhipadīsayā sukha เย่ธรรมะเย่สุภาวณีนมัสสิภะคะวาสัมโมภิมัจฉาธรรมปริยายตะอัตโตธากายะนมัสสิสกะตังธัมโมโธตะปูสวันนี้เป็นวันอัศมิณีที่แก่ธรรม เป็นวันธรรมัสสวนะดังนั้นผู้สัมมา ยักกระเละพร้อมใจกันปฏิบัติถึง ล้วนจําเป็นในส่วนตนก็ลง ด้วยการระดับรับควรจะต้องแสวงหาคือมัน ว่ากระบวนการของเรานั้นเป็นแนวออกออกการระดับระพังสมาธิในการที่เราไปบำเพ็ญภาวนาทํามาโดยปฏิบัติออกเป็นของด้วยคิดเท่าไหร่ก็กล่าวเอาโดยเยอะมิเป็นคิดที่พวก คนละทําสิ่งใดมันก็จะเศร้ามีกาลนั้นที่คนบริติคุณไม่ถึงเหมือน อยู่ประจําในวตสโกรามนี้ ไม่ใช่ของง่ายของง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ขี้เกียจไม กายด้านมันไม่ใช่หมายถึงว่ามือด้านซ้ายด้านเป็นโลกเสือราเป็น มันไม่ใช่คนดานคนล้านมันหมายถึง ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามความอยู่เนี่ยเรารับรังคาปกคลุมและลมพลได้แก่พวกเราด้วยความ เรเราผู้เป็นคนมาพึ่งบริการวิหารสบลังสีรังณีนั่นแหละเป็นผู้รู้จะทําตรงนี้มาเป็น ความความชั่วกันมาตระเรอาะเพราะแรง แม้มันจะคิดชั่วคิดเร็วว่าถือว่ามันเป็นความคิดที่ดีดัง มันก็เป็นวงศ์อัพธรรมมงคลเป็นที่ไม่เป็น สติคือมาลฤกระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระๆทั้งส่วนภายนอกภายในสัมวัชัญญะญาณรู้ระวังสติระลึกถึงไหน แม้แต่คุณปัจจัยศรีที่เราได้บุญ ในศาสนาหรือเขาเรียกคนนั้นน่ะ ลงมือถึงขั้นของการปรึกปฏิบัติให้ ทั้งศลและบุคคลผู้อื่นในพวกเราทั้งทั้งหลายพวกเราครั้น ศรัทธาที่ตนของตนเองต่อพระศาสนา ส่วนที่เราจะส่งพัฒนา เป็นศีล 5 ศีล 8 สัมมบท 1227 ญาติโยม 5 หรือ 8 นิโวสถศีลหรือว่านิสสิกศึกษาให้รู้ ศีลเกิดขึ้นได้ตรงไหนตั้งอยู่ได้อย่างไรและศีลนั้นจะโคจรไปจนหมดขิ้นหรืออย่างใด สิ่งเฉยว่าเป็นนอกหรือในอย่างไรที่เราศึกษาให้เกิดความๆก็ ในคลี่ของชาติของศาสนาโดยแท้ขอท่าน ว่าเราเกิดมาในชาตินี้ล่ะเราเด็ดหรือยังรู้หรือยังในชาตินี้ คือมันจะมีมากกว่าความหรือเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาของคนและสัตว์เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรและเราอยู่ในปัจจุบันมีลมหาย เมื่อเราเราจะไปสู่จากโลกนี้แล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปสูงนี่ ให้เราพากันคิดเก็บเอาหาความบริสุทธิ์อยู่ใน จงอยู่ในโลกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ 8 ก็ 8 ศีล 10 ก็ 10 ศีล 227 ก็ 227 ระบริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วหมดกิเลสมั้ยศีลและปฏิบัติต่อกิเลสกิเลส วันติดหรือของอยากเมื่อเรามีศีลแล้วมันยังลากไม่ได้กิเลสละเอียดคืออะไรกิเลสหยาบคืออะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลัก ประพฤติประเวณีพูดปดลืมสุราเมรัยนิยาสนิทจุนี้นี่อันนี้น่ะเป็นลักษณะของกิเลสที่พินิทํา รักษาตัวเช่นเหมือนสมัยเมื่อไม่มีศีลความเห็นดิบเป็นดีเห็นผิดเป็นชอบมาในการปรดหดีมันก็จะหมดไปกลับกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิ ยังพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พ้นกิเลสเพียงอย่าง ย่อว่ารักกับคือกามฉันทะ แต่ที่อาศัยรูปธรรมเกิดขึ้นนั้นคืออาศัยธาตุธาตุนั้นไม่ใช่เป็นนามธรรมธาตุนั้นไม่ใช่เป็นตัว ในมธาตุไม่ใช่เมื่อเป็นตัววัตถุที่มันไม่มีความรู้อยู่ใน เวทิ 10 จุดเวทิประมาณเนี่ยเค้าเรียกว่ากิเลสอย่าง เป็นการจองเวงนี่ศิลปิชะฝันง่วงเหงาเฮานอนอาจ เกียดฟังธรรมที่เกียดเจริญสมาธิภาวนาดึง เอานอนกับมันนอนไปนอนมามันติดของชั่ว ความดีเนี่ยทั้งๆที่เรารู้อยู่อะไรมัน มองไม่เห็นความสําคัญของความขาดความเพียรเนี่ยเพราะนั้นมันการติด ผู้สัจจะความวุ่นวิดวุ่นงานพลสร้างรังการคิดสังหารใจคนเรา เหลือเราเมาแดงอนาถของรูปไปยุ่งไปหุ่นไปวายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกับรูปดี มันมาสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในหัวใจของเรานะพวกเราทั้ง ก็กัปปกครองสร้างให้เขา การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะแก้กิเลสอย่างนั้นไม่ได้ทําเพื่ออะไรนะไม่ได้ทําเพื่อใครทั้งนั้นไม่ได้เพื่อประพฤติธรรมประสงค์พระรัตนตรัยเพื่อตัว ยอมสําเร็จได้เช่นเดียวกันถ้าเราทํา ตอบพระคุณของท่านเหล่านั้นของไม่ดีมันก็นี่เพราะฉะนั้นความปรุงสารมันก็เป็นกิเลสภายในอย่างนั้นวิจิกิจฉาความ ผู้ไม่มีอะไรจะสงสัยมากนักเพราะคนเราเกิดมาที่บริหารชีวิตสนุกสนานสุขทุกข์อยู่ในเรื่องของโลกอย่างเดียวไม่เกี่ยว เพราะคือเราเกิดมาอาศัยอยู่เนี่ยคิดว่ามันไม่มีนอกชีวิตหมกมุ่นทุ่มเทชีวิตต่อในเรื่องของโลกการกรรมอาชินการทําอาชิน โดยภาคก็ควรไปบทค่ามามีความปัจจุบันนั้น นี่คนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างสิ่งโครงสร้างความละเอียดสวยงามชีวิตความเป็นอยู่ของใครก็ตาม ชีวิตของเราแล่แต่ปอนไทยก็แสวงหาสิ่งใด ไสยราชาใจของเรามันก็จะต้องไปเเสวยวิบากกรรมที่โศกวิบากอบายภูมิที่อยู่ทางไปสู่ คือสัตว์เจรจานนะนี่นิเวศหมายที่ดีกรรมมี เป็นผู้นำมาเกิดเป็นมนุษย์คนเพราะฉะนั้นให้เราดูกรรมนิยมในใจของ ปัจจุบันเรามีความนิยมเรามีความนิยมชอบคิดอะไรชอบนึกถึงอะไรชอบแต่งอะไรดูสิ เมื่อมันดีไม่ดีอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรมันดีเราก็จบถ้าเราไม่แก้ไม่ไฉนก็เป็นคนมีธรรมะถึงจะเป็น เป็นคนมีเต๋าอัตตาทั้งๆที่รู้อยู่ว่าตัวตนของเราเนี่ย โยนิญาณตลอดจนตายสื่อสิทธิ์ที่ความคิดเห็นของนี่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายภาวะ สู่ในภาวะอย่างนี้แล้วก็เพื่อผลคือการชํารอรักลดเว้นหรือเพื่อ ซึ่งเป็นความคิดและความดริก เมื่อเราทุกคนมาปฏิบัติปฏิบัติคือการสมาทานศีลให้ฌานพระศาสนจริญเวทนาภาวนาและ มีอยู่ได้กายของเรากับทั้งที่ยังไม่มีสร้างและ ว่าพระธรรมในศาสนธรรมคำสั่งสอน